วันเพื่อนที่ผ่านมาเราม่มีลักษนะมันก็ตายไปแล้วเรายังมีลักสนะอยู่คิดอันอื่นจึงอันอื่นเรายังคิดได้การจะชาระสายสายังขใจเราจะอาภัพวัตสนะมาจากที่ไหนไอ้สองพี่เจรณานะสอนใจของตัวประกอบความผ่าความเทียน <c oughs> ทีนี่พี่แจนะรู้ตามเป็นจริงของมัน จิตของเราว่าจากที่เลียกตัญหาโลมันก็ว่างจิตของเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่หนักที่มันหนักมันยึดมันถือมันแบกตัญหาต่อใจว่าเส้นว่าฟ้องฟ้องเส้นอใจว่าคนว่าสัตว่าเขาว่าเราตั้งสัตว์ทางอหล่าพี่ทำแต่กิจสอนให้แยกให้แยกให้พิจารณา เื่าตเรื่องขันพิจารณากายพิจารณาใจของตัวเมื่อทราบตัวของตัวถั่วถึงทุกอย่างแล้วโลกอันนี้อดีต ก, ก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีมันเหมือนกันหมดในหงตัวของตัวทถานั้นก็ไม่หลงโลกถ้าบตัวของตัว ตามเป็นจริงกวัวทราบสิ่งทั่วไปตามเป็นจริงได้พยายามทาพยายามฝึกพยายามปฏิบัติอย่าไปโยนความดีไปข้างหน้าชาตนั้นก่อนชาตินี้ก่อนวันนั้นก่อนเดือนนี้ก่อนจะไปคิดไปแบบนั้นพยายามกำหนดทิ่นิ่ที่เจนาะน <c oughs> สำละใจอยู่เรื่อยๆใจมันคอย ออกไปจากความจิดความข้องสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์คือการผลึกปฏิบัติคููที่ตั้งหน้าผลึกปฏิบัติอย่างนี้โอกาสเวลาที่จะประสบพบเห็นความบริสุทธิ์นั้นมีด้วยกันทุกคนถ้าหากในที่นี้พี่เจน่าไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนนักบวชหรือคารวะ เหมือนกันหมดไม่ทานแล้วจะบ่นวันอยางขำอยากอี่มไม่มีทางไม่ไปแล้วจะบ่นตลอดวันตายมันก็ไม่ถึงถ้าเราทานมันก็มีวันอี่มไปมันก็มีวันถึงนี่การขอพืไปฏิบัติเกื่ยวความบริสุทธิ์ของใจขอทานองเดียวกันจงพากัน นำไปพิจิยณาศึกษาต่างหน้าต่างตางตปฏิบัติความสงบสุขก็ไม่มีใครคนอื่นเขาจะหามาให้จะเกิดขึ้นจากใจของตัวเคยว่าวุ่นขุนมัวต่างๆสะอาดบริสุทธิ์สงบสุขเห็นไปจากชัดเจนในตัวของตัว ดางนั้นขอทุกคน <c oughs> จวงต่างหนา้าต่างตาฝากเพียนพยายามทามตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าสอนลองมือปฏิบัติํำระชั่วบำเพ็ญดีรักษากายวิจาใจของตัวด้วยสติด้วยปัญญาผลนั้นก็จะมีความสุขความเจริญในการปฏิบัติของคนการอธิบายธรรมะ กเ็นหาทีองควทจะไปทาขอให้ท <sk> ิ่เจนเข่นี้การปูกธรรมะการฟังธรรมะธรรมะก็เหมือนกันกับอาหารคนที่พูกก็เหมือนผูรงอาหารสำหรับอาหารนั้นคนปรุง สลดัดปรุงได้หลายรสหลายชาติหลายสิ่งหลายอย่างคนจิตปรุงในมสลาดปรุงได้เชียงอย่างหนงสองอย่างเท่านั้นรสชาติก็เหมือนกันคนจิตปรุงดีปุงสลาดรสชาติของอาหารก็อริอร่อยคนจิตปรุงไม่เป็นไม่สลาดบางทีก็รสชาติไม่ค่ยดีเข้มไป ม, มากจืดไปมาก ไม่นารับทานแต่ยพื่ออย่างไรอาหารก็จำเป็นที่ทุกคนจะต้องทานกันไม่อย่างนั้นร่างกายก็ดำรงอยู่ไม่ได้นานๆเข่าก็จะต้องแก่ต้องตายไปเรื <c oughs> อ่องธรรมะสอนใจก็ทํานองเดียวกันเหมือ น, นอาหารผ่านอง์นั้นสอนผ่านอง์นี้สอน <c oughs> สอน เพื่อจะให้จิตใจของสัพพะสัตต น, นั้นได้รับความสุขความสบายความเยือกเย็นเป็นสุขเท่านั้นไปเฉสอนเรื่องอื่ น, นถึงกาสอนไม่ค่อยจะทะเลาะไม่คอยจะชัดเจนเท่าไรติดตามาสอน เพื่ออยากจะให้คนนั้นได้รับความสุขความสบายทางจิตทางใจแต่ผู้สอนมันไม่มีความสามารถพอที่จะสอนให้เขาจิตเข้าใจได้อย่างจริงจังแต่นั้นทุกคนที่เคยสะดับรับฟังทมจากรูจากอาจารย์หลายฐานหลายองค์มาว่าชื่อว่าเหมือนอาหาร ถอาหารของคนหนึ่งกลุงเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งกลุ่เป็นอย่างหนึ่งจะเป็นหน่ำทิพกปิดตามเป็นผัดเป็นทอดเป็นต้มเป็นแจงก๋วตามก๋เป็นอาหารเพื่อจะรอเลี้ยงร่างกายเหมือนกันทำนั้นถึงจะพูดไปสั่นไปยาวไปพังใดคิดใดก๋ตามก็เพื่อจะม า, มาชำระใจของเราที่เศ้ามองขุนมัวให้ฟองใส ฝุ่งฟุ้ ง, งให้สงบระงับลงไปหายใจได้รับความสุขความเจริญมีแค่นั้นเรื่องของธรรมไม่มีเรื่องอื่ น, นเราทุกคนเคยได้ยินได้ฟังมาจําไปพินิษพนะิจารณาจําไปศึกษาไปปฏิบัติสิ่งใดที่จิตใจมันวุ่นวายขัดข้องกพยายาม ชำระสายสางด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าความขัดข้องวุ่นวายเกิดจากอะไรเกิดจากใจที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์ต่างๆแล้วก็หัดห้ามเอาไว้ใใจมันไปปรุงไปคิดไปติดไปข้องโดยอุบายวิธีต่างๆจะบริกรรมก็ได้จะกำหนดลมก็ได้จะเพ่ง กะดูเพียงหนังจิงไดสิ่งหนึ่งก็ได้หรือจะบริกรรมอย่างความตายก็ได้เพราะความตายนั้นทุกคนมีเหมือนกันแขนคอเราอยู่ไม่ว่านัง่งว่านอนไม่ว่ายืนว่าเดินจิตใจที่ฟุ่ ง, งเฟือเผยเชินต่างต่า ง, างก็เพราะเราไม่ได้คิดถึงความตายของเราคิดว่าเราจะมีอายุ ยืนยงคงอยู่เป็นระยะยาวนานผ่ <c oughs> านเห็นความตายความเจ็บไข้เป็นประจํากายประจําใจอยู่แล้วมันก็ไม่มีทางเพลิดเพลินไปได้เพราะคนเพื่อนเจตายถึงเขาของเงินทองมากมายก่ายกองขนาดไหนเขาก็ไม่มีความสุขความสบายให้พราะทุกข์มันรุมดีบขั้งตายใจ ทุกคนก็จะไปสู่จุดเดียวกันคือความตายเมื่อเราพิจารณาความตายมรณะสติอยู่สม่ำเสมอจิตใจเราจะไม่เพลิดเพลินในมัวเมาในสิ่งของภายนอกจิตใจจะสงบจิตใจจะเยือกเย็นจิตใจจะเบื่อนหน่ายในพพชาติแสวงหาอยู่ตลอดวันตลอดเวลาได้มาขอหึงหัวเก็บรักษา เป็นทุกข์ทั้งในเวลาที่สแสวงหาเป็นทุกข์ในเวลาที่ได้ม า, ารักษาเอาไว้กลัวมันจะหายไปแต่เมื่อตายไปแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งๆ ท, ที่เราหึงหวงอยู่ขนาดนั้นมันได้อะไรติดตัวของเราไปไหมเราทำไมจึงไปหลงไหลไปเกี่ยวข้องจนเ ก, น เ, กนเหตุกินผลไม่มีวันเวลาที่จะภาวนาละกิเลส นี่เป็นเรื่องเราจะสอนเราเองพิจารณาตัวเราเองเพราะทุกคนจะไปสู่ความตายด้วยกันเท่านั้นวันนี้ยังเห็นหน้ากันดีๆอยู่กลุ่งนี้อาจจะตายไปแล้วก็มีมันเก็ดอยู่อย่างนี้โลกแผ่นจึงเหพิเจรณาเรื่องความตายเป็นอนุสติอันหนึ่งถึงทําให้จิตใจไม่ประมาทมัวเมา เวลาเป็นอยู่มีชีวิตยอยู่ออยกอนน็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้วิ่งบุญอยู่ตั้งแต่เรื่องข้างนอกเรื่องข้างในคือใจของตัวเองมันสุขมันสบายไหมมันสงบไหมพาใจเหตุผลตามเป็นจริงไหมมีสติมีปัญญารักษาใจเหตุปลอดภัยจากความยุ่งเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นไหมเราไม่ตรวจตาพิจารณาดูใจของตัวมันจริง ตัวจึงเสียจึงหลุมจึงลงเมื่อความตายขามาถึงร้องไห้เสียใจคิดอยากจะไห้อายุยืนยงคงต่อไปเพื่อจะได้ทำบุญสุนทานสะสมคุณงามความดีอย่างนั้นอย่างนี้เวลาจะตายมาจริงจังจึงคิดได้แราจะไปทำได้อย่างไรห่ือจะตัวของเราเองก็ลูกไม่ได้เจ็บปวดเหน็ดเหนื่อย อยู่ทุกข์ขนทุกข์แห่งไปไม่มีอะไรสุขไม่มีอะไรสบายมันเป็นอย่างนั้นอใจไม่สบายใจวุ่นวายใจไม่เห็นตามเป็นจริงเราจึงควรพิจารณาให้มากเรื่องความตายเมื่อเราพิจารณามากมาใจมันอยู่กับเรื่องอารมณ์ของความตายเมื่อความตายเขามาถึงแล้วเราก็รู้สึ ก, กเราก็เข้าใจแต่เราพิจารณาอยู่แล้ว เร่องความตายในวันใดวันหนึ่งมันก็จะมาถึงเรานี่มันมาถึงแล้วเราก็จะไม่เสียใจพอเราเตรียมถ่ายเอาไว้สิ่งิดควรเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ใจเราก็สะสมคือสติคือปัญญาศรัทธาความเชียอต่างๆเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้เสียใจว่าเราเกิดมาเสีย ชาติเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นโมระบุคคลนี่คือผลของการพิจารณาความตายมันพิจารณาเท่าไรใจก็ ย, ยิ่งสงบระ ง, งับตัด ค, บคดความโลภความโกรธความหลงไปได้ถ้าหากเมินเฉยไม่พิจาราเห็นบ่าอายุของเราจะยืดยาวคงทนตอนนั้นก่อนตอนนี้ก่อนจริงจะ ไงสอนจิตใจจึงจะค่อยทำคุณงามความดีชาตคิดอย่างนี้ไม่มีโอกาสเวลาเพราะกิเลตัญหามันไม่ให้โอกาสมันมีแต่ยืนบ่นเรื่อยไปวันนั้นก่อนวันนี้ก่อนเดือนนั้นก่อนทีนี้ก่อนเรื่อยไปผลที่สุดจะชาตินีไม่เอาชาตหน้าเชื่อก่อนเลยไปอย่างนั้นก็เลยไม่ทันอย่างจิเลตัญหา ไม่ไปสบความสงบไม่ไประสบความสุขไม่เห็นมรรคผลในตนของตนคนผู้ไม่ประมาทแทนจึงแล้วลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกออกไม่เข้ามันก็าตายเข้าไมออกมันก็าตายไม่ว่ายิ้งว่าชายนักบวชคราวา่าเด็กผู้ใหญ่มันเจนอยู่อย่างนะั้นความตายมันบีบบังคับอยู่ตลอดเวลา นี่คือการที่เจอ น, นาเพื่อให้เบื่อหน่ายในการเกิดแล้วมีการเจ็บการตายเราเร า, เรายังฝ่ายังสามารถอยากจะเกิดอยากจะตายอยู่เรื่อยไปอย่างนี้มันดีหรือหรือเกิดมาชาตไหนพบใดฝ่อตามมันก็ค้องเก่าเนี่ยไม่มีไปจากความแจ็ความเจยบความตายถ้าเกิดแล้ว ค้นคว้ได้อย่ยงความแฉะความเจ็บความตายมันเกิดมาจากความเกิดของเราถ้าเราไม่เกิดความแฉะก็ไม่มีความเจ็บไข่ก็ไม่มีความตายก็ไม่มีทําอย่างไรเราจึงจะไม่เกิดในจิตใจของเราเราเคยนึกคิดเบื่อเกิดไหมหรื อ, อยังยินดีเรื่องเกิดเรื่อยไปเบื่อมีเกิดเท่าไรมันก็มีตายเท่านั้นนี่คือทางพิจรารณาชำระจิตใจใช่ไหมพิจารณา หาทางแก้ไขมันก็ ล, ล้มไหลด้วยไปไม่มีวันใดที่จะสงบระงับการมาวัดมาวามาจำศีลภาวนาก็คืนมาพิจเจนามาชาระจิตใจของตัวไม่เกิเข่าวัดแต่แก่กายแกใจวุ่นวายเกี่ยวข้องเรื่องนอกเข่าวัดแบบนั้นเข่าเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะตกหล่นออกไปเรื่องความชั่วเสียต่างๆ ถ้าเข้าวัดมุ่งมาปฏิบัติจิตใจของตัวเพรอยู่บ้านยุ่งเกี่ยวกับการงานลูกล้านตลอดถึงสัตว์สิ่งของต่างๆไม่มีโอกาสเวลาที่จะภาวนาไม่มีโอกาสเวลาที่จะทําความสงบสงัดได้เพราะเข้ามาวัดเราก็ต่างหน้าต่างตางปฏิบัติ จะกำหนดอะไรพิจารณาอะไรก็พิจารณาหรือความต่างอกต่างใจจริงๆจังจังเมื่อเราทําจริงของจริงจะเกิดขึ้นเราจะเห็นความสงบของจิตของใจจะเห็นความผ่องใสความละเอียดเห็นความสุขจากอัจฉริยะธรรมถ้าเราไม่เห็น ไม่เป็นในจิตในใจไม่อยากทำอยากได้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะไม่ทำมันจะได้มาจากที่ไหนต้องทำเชื่อก่อนมันถึงจะได้กินเชื่อก่อนมันถึงจะอิม่มต้องพิจารณาหาเหตุผลอย่จิตใจของตนเพราะทุกคนมันหลุ่มมันหลงหมืดบอดสัตว์หลัง ก่อนเราเกิดเป็นอะไรเรามาจากที่ไหนเราก็ไม่ทราบทางหน้าเราจะไปสู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบปัจจุบันเราคิดอะไรเราก็ไม่ทราบนี่คือคนประมาทขาดสาตสิท่านเห็นทีนี้พี่เจณาดูแลรักษาจิตใจของตัวที่มันชั่วมันเสียมันคิดมันรุงไปก็หากห้ามเอาไว้อย่าให้มันไปพูดอย่าให้มันไปทําอย่าให้ไปคิดสิ่งที่ผิดเพราะ สิ่งที่ผิดมันเป็นพิษเป็นทุกข์เป็นโทษนำความทุกข์นำโทษมาให้แก่กายแก่ใจของตัวสองทีนี้พี่ใจะนะสิ่งผิดชั่วสี่ผิดพยายามละออกไปทำลายออกไปอย่าให้มันมาจิต <c oughs> ขวงงในกายในใจของตัวนี่คือคนฝูมาภาวนามาละกิเลสมาปฏิบัติ ถ้าม่ที่นี้ที่เจรนาอย่างนั้นเข้าวัดก็สัจจะว่าเข้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกหรือครูอาจารย์กสัจจะว่าฟังไม่ทราบว่าท่านเนี้ยท่านสอนอะไรเพราะท่านเอวังก่สาธุว่าได้บุญบุญคืออะไรก็ไม่ทราบอีกเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยมาจิตใจ ก, ก็เลยไม่เห็นอาจเทียนทำให้นสว่างสวยัยไม่สงบเยือกเย็น ถ้าเราฟังมาจานบอกให้ละสิ่งที่ชั่วให้พิจยนะสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อกำจัดความประมาทมัวเมาในใจเราก็นำไปพินิธิจัยนะนำไปชาระตัวของตัวใจที่เคยชั่วเคยเสียเมื่อมันได้เหตุผลจากการพินิธิจัยนะเกิดสติเกิดปัญญาสิ้นมามันก็แก้ไขได้ <c oughs> ถ้ามันไม่ นำไปทินี้พิจารณาอะไรทันสอนหนักกว่าทันดุทานดา่าทันสอนเบากม่าเข่าถึงใจแม้ก็เลยยุ่งอยู่อย่างนั้นไม่ทราบว่าจะเอาการใดเวลาใดมาพิจบัติยังหนุ่มยังสาวก็เผิดเดินไปในทางกามรมณ์ต่างๆเพราะเป็นทางคนขึ้นมาก็วิ่งวุ่นกับการทำมาหาจินเข่าแกมาก็ใน ม, มีกาลังสิจะ ประพฤติปฏิบัติอดไม่ได้ทนไม่ไหวเพราะร่างกายมันสำรุดนั่งมากก็เจ็บก็ปวดเดินมากกดก็เหนื่อยอยู่เฉยๆก็ยังลำบากหายใจออกหายใจเข้ากอ็อยากเลย่มงนีโอกาสเวลาให้ไม่ว่าจะเอาการใดเวลาใดนี่คือเรื่องความหลอกลวงข้องใจงเรื่องจิเลศ มันปกปิดเอาไว้แต่การทําสิ่งอื่นการคิดสิ่งอื่นเรื่องของโลกมันฉลาดแหลมคมดีว่าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้อยู่เรื่อยเรื่อยเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่าเราจะตายจากมันมันจะหนีจากเราจริานั้นถ้าเราพิจารณาดีถ้วนชัดเจนให้เห็นในจิตในใจมันก็เบื่อหน่าย จะวุ่นวายไปทําไมวุ่นวายไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเห็นใครถึ่งเป็นหลักฐานพยายามสิ่งเขาหอบเขาหิวเขาหาบเขาหามสิ่งที่เขาวุ่นวายนั้นสิ่งที่เขาหามานั้นไปได้มันก็เป็นพยายามอยู่ทั่วโลกไม่มีใครที่จะหอบหิวหามหามไปต้นแบบของโลกเป็นของโลกอยู่เรื่อยมา ไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะคนเกิดมาก่อนอเขาเบียดเขาหาเเขาอยู่เขาหามนี้หมดเขาเคยเป็นเจ้าของโลกมาก่อนเราแล้วแต่เขาก็เอาไปไม่ได้เราที่วุ่นวายจังวนอยู่ในกินในใจก็ทำนองเดียวกันนี่คือการแกะไขขับไล่ความรุ่หลงทองใจพิจารณไปเถ่อ ขับไล่ความรุ่มหลงต่างๆให้มันตกมันถอนออกไปไม่อย่างนั้นรุ่มหลงอยู่เรื่อยเท่าขนาดไหนจะให้มันสว่างสวัยให้มันสงบสุขให้มันหายความอยากได้มันไม่มีวันยิ่งแกเท่าไรก็ยิ่งมันเหมือนมะพร้าวมันแก่ไปสำนองนั้นยิ่งแกะก็ยิ่งยุ่งเหมือนลูกบวช แต่มันยังอ่อนอยู่ก็เพราะแจ้งได้ยินได้สะดวกสบายเพราะแกเข้ามามากเาเท่าไรก็ยินไม่ได้นี่ตะยุ่งอย่ทาาราบว่ามันเกิดมาจากอะไรนี่แกแบบนั้นเป็นแกที่ไม่ดีแกไม่มีศีลมีธรรมแกที่หลุมที่หลงเราเขาวัด ยอมเสียสละความสุขต่างๆมาการงานเราก็ไม่ได้แบกในหามมาทับในวัดหลูกล้านเล้นบานช่องเราก็ไม่ได้หอบเหี่ยวมาด้วยเรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติวันนี้ไดียเดินยงกอมกันกี่ชั่วโมงภาวนากันกี่นาทีแล้วค่อยเด้ตรวจตาจิตใจของเราดีขึ้นหรือมันเสื่อมลงก็ไม่ พิจารณาอีกียงจะเข้าวัดเข้าวัดแล้วไม่ได้วัดดูใจของตัวว่ามันสั้นมันยาวมันสูงมันตามแค่ไหนมันเสียไปหร้อมันดีขึ้นนี่คือการเข้าวัดจะต้องตรวจตาพิจารณาดูภายในของตัวในอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นส่วนที่ได้ส่วนที่เสียไปยังจะเข้าเข้าอยู่อย่างนั้น แต่มันในเกิดผลอะไรในจิตในใจให้ถ้าหากเราคิดไปในทางดีพิจารณาไปในทางถูกในทางอัตทางธรรมเราจะมีความสุขความสบายของใจคนจำนวนใหญ่ที่เขาวัดไม่ได้นับไม่ถ้วนเราเข้ามาวัดโชคดีของเราตากว่าเดเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู่บัมดำรงในศีล หูก็ได้ยินเสียงอยัดเสียงทำใจก็ได้คิดถึงความผิดความถูกความดีความชั่วเราเป็นผู้ที่มีโชคดีเดินเข้ามาในวัดในวัดทางกายเราก็ได้กราบได้ว่ายทางว่ายใจเราก็ได้สวดมนต์ท่าวัดทางใจเราก็ได้ กิณิจิเจนาอัธรรมถ้าเราคิดอย่างนั้นจิตใจของเรามันก็ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ภายนอกมันก็มีวันเบิกบานมีวันสุขมีวันสบายนี่คือการกินิทิเจนาการศึกษาในการปฏิบัติยังจะเข้าวัด วัดนั้นก็ไปวัดนี้ก็ไปอาจารย์นั้นก็เคยสะดับรับฟังอาจารย์นี้ก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่รี่ห้ตั้งหามันยังคงเส้นคงวาหรือมันหลุดลนออกไปในตรวจตาพิจารณาอย่างไรสักแต่ว่าไปสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินไม่เคยนำไปกำหนดทีนี้พิจารณาไม่เคยศึกษาเรื่องใจทองตัวไฟรอบโลก มันก็ไปเกิดสารประโยชน์ให้ถ้าไปดูการสังเกตที่นี้พิจแจนาไปสถานที่ใดก่ตั้งใจกำหนดรักษาถิ่นธรรมของตัวมันจะทราบว่าไปที่นั้นในเกิดสติปัญญาส่้นอย่างนั้นในลากิเลสตัวนั้นไปสถานที่นั้นกิเลสตัวนั้นมันเกิดขึ้นคมขู่จิตใจของเรา ท, ท, ทั้งสั้งจิตตางหน้าต่งตางราพิจนราอยู่มันก็ไม่สงบให้ <c oughs> มันก็จะทราบในจิตในใจของตัวนี่คือไปทำความผากความเพียนดูแลรักษาจิตใจผาไปไม่มีสติไปตามจิเลศตัณหาไปตามสัญญาอารมณ์แล้วไปที่ไหนก็ไปเถอะไม่มีวันดีไม่มีวันพิเศษให้จิเลตตัวเก่าหลอกลวงอยู่เรื่อยไป ไม่มีอะไรที่จะเกิดมากเกิดผลแต่ตนคงตนได้แต่นั้นการมาวัดมาวามาจำศีลภาวนา <c oughs> มาบวชเรียนเป็นภาสเป็นเจ้าหัวทานองเดียวกันไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วจะประเสริฐวิเศษหมดกิเลสตัณหาถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีการทำความผากความเชียนไม่มีการ ฝึกหาลาพุทออกไปเพราะเหตุใดเพราะใจมันหมดกิเลสบวชแล้วออกจากบวชแล้วกหมดกิเแลสแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นอย่างนั้นทำคําสอนมันก็เป็นโมฆะเพียงบวชอย่างเดียวเท่านั้นมันก็สําเร็จทุกทสิ่งทุกอย่างไปนี่ใจพวกเราไม่อย่างนั้นจิตใจที่เคยฝุ่ตรงคิดนึกหลบหลงอย่างไรมันก็ยังคงเส้นค ง, งวาอยู่บวชตั้งแต่เพียงกาย ผ่าเหลืองพอหุ่มตัวเ่านั้นแต่จิตใจยังเป็นเหมือนสรารวา่าอย่ยมเหมือนสัตว์อยู่ยังข้องยังติดยังคิดยังฟุ้งในทางชั่วทางเสียสี่ควรจะสําราญษาสางสี่ควรจะที่นิสัยนามันมีอยู่เมื่อมันมีอย่างนั้นมันชั่วอย่างนั้นมันเสียอย่างนั้นจะอโอกาสใดเวลาใดเราบวชตัวตั้งใจเพื่อจะขับไล่สิ่งที่ ตกกับพวกโฉมมือกิเลสตัณหาของใจเมื่อบวชมาแล้วเราเดี๋พิจารณาอย่างไรกิเลสส่วนนั้นมันชิงก็ ต, ตกออกไปหลุดออกไปาหากเราไม่ไดพิจรารณาไม่ได้สําระมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนับวันจะสะวีคูณขึ้นถ้าเราได้สําระแล้วก็ทราบเราได้๋ยวพิจารณาอย่างนั้นในวันนั้นเวลานั้นจิตใจของเราที่เคยฟุ้งฟูงคิดนึกต่างๆได้สงบ ลงรวมละเอียดเกิดความสุขความอาัศจรรย์ขึ้นซึ่งไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเราจะต้องทราบในการกระ ท, ทําบําเทนของตัวนี่คือผู้กระ ท, ทําบําเทนผููประพฤติปฏิบัติอาธิธรมถ้าลงมือปฏิบัติจะต้องเห็นจะต้องเป็นในจิต ใ, ในใจแต่เพียงเขาวัดเขาวาบว่เป็นพระเป็นเจ้าแล้วอยากจะให้ แต่สปัญญาวิชาริมุดมันเกิดขึ้นทั้งทั้งที่ในทำอะไรมันเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันกับเรามีไร่มีสวนมีนาเราไม่ทำมันก็อยู่อย่างนั้นไม่มีข้าวมีพืชผลอะไรที่จะเป็นขอมีคุณค่าเกิดขึ้นนอกจากหญ้าจากต้นไม้สึ่งไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าให้ ทั้งนาทั้งสวนมันก็ไม่ได้จีตาเพราะฝึกฝนอันนั้นคนเขาไม่สนใจไม่อยากได้แต่เราไปปลูกฝังเอาไว้มีขี่ดินที่ไร่ที่าทนาที่สวนดินมันก็เป็นดินอยู่อย่างเดิมเนี่ยแต่ข้าวที่เราปลูกไว้มันทีดอกออกผลให้มีกําไรในที่ดินของตัวที่ปลูก เงาะผูกธุเลียนเงาะูุเลียนมาก็รรอนตบเราออกผลให้ผลที่สุดก็เลยเป็นสวนเงินสวนทองเจ้าของก็เลยแต่ับความสุขมีไม้ถึงมีที่ดินทำอยากทำกินแล้วไม่อดไม่จนคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทำนองเดียวกัน พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านก็มีกายมีกิตเหมือนกันกับพวกเราท่านไม่มีอะไรอื่นกิเลสตัณหาท่านก็เคยมีมาแต่เก่าก่อนเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็ท่านก็ไม่ได้ําระให้จิตใจของท่านฟองสใยให้จิตใจของท่านหลุดพ้นหีืเราเห็นว่าท่านหลุดพ้นท่านหมดกิเลสแต่เราทําอย่างไรทําเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ เมื่อไม่ทำายากท่านอยากได้อย่างท่านมันจะได้มาจากที่ไหนกระงป้นใจของตัวอย่างนั้นมันตรวจตาที่เจรณามันศึกษามันปฏิบัติดูแลใจของตัวสุดที่สุดที่ปัจเจตังความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์มันเฉพาะตัวไม่ใช่คนอื่นจะไปทำให้ เราทุกคนเมื่อทราบอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะประพฤติปฏิบัติจะให้คนอื่นประพฤติปฏิบัติให้นั้นไม่มีทางที่จะปฏิบัติให้เราได้เหมือนกันกันกบอาหารเราทานเราจินมันถึงจะอิ่มคนอื่นจินก็อิ่มท้องของเขาเราไม่สามารถที่จะอิ่มนำซ้ำลานได้ ทำคําสอนของพุทธเจ้าก็ทํานองเดียวกันรีบเร่งตั้งหน้าตั้งตาศึกษาประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติมันก็รู้ก็เห็นในตัวของตัวชั่วเราได้ลับไปอย่างไรแล้วก็สรา้าบดีมันเกิดมันมีขึ้นมาอย่างไรแล้วก็สรา้างพอเราประพฤติเราปฏิบัติเราย่อมเห็นย่อมเป็นในตัวของตัวหมายถึงว่าทําเป็นสันทิโปโก เห็นเองเป็นปัจจิตงังรู้เฉพาะไม่ใ่คนอื่นจะมาเอาไปประกาศมาให้หรือคนอื่นจะรับรองให้เราจะต้องรู้ในใจของเรามันคิดผิดปรุงผิดในสมัยก่อนที่เรายังไม่เคยบบพื่อปฏิบัติตาเห็นปรุงไปตามเรื่องของตาสรุปมัน ต่องการอยากได้มันก็เกิดปันหาเกิดราคะความกำหนัดยินดีถารูปมันไม่ต่องการมไม่อยากได้มันไม่ปรารถนามันก็เกิดทุกขโกรธถ้าไม่พอใจไม่มีความสุขความสบายให้กระทบฝั่งนั้นกระทบฝั่งนี้อยู่เรื่อยมาต่อเมื่อเรามาภาวนาพิจารณาตามเป็นจริงของเรื่องต่างๆรูปนั้น มันมีความหมายอย่างไรหญิงชายที่เราไปมั่นหมายว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ล้วนแต่ของเน่าของเหม็นของปฏิกูลอิมังปูจิกายังกายอันนี้เป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลไม่ใช่ของดยิบของดีไหลออกมาไม่แจกขี้ไม่ว่าออกจากที่ใดที่ถ่วมหัวขี้หัวมันก็มีนี่ ถัวตัวมีแต่ขีดจะไปหลงไหลไฝฝันแต่เป็นของหยิบของดีเมื่อเราพิจารณาเสื่อแก่ยิ่งเดือดร้อหาความรุ่มโรยของใจแห่เข้าถึงความเป็นจริงของมันมันจะละจะถอนความจิตคล่องมันจะสุขจะสบายให้แล้วแต่อุบายปัญญาของใครที่จะพิจารณาแก่จใจของตัวโอกาสที่จะศึกษาที่จะสะํารก ที่จะปฏิบัติก็คือพวกเราที่ยังมีลมหายใจเป็นอยู่ในใจตายไปแล้วถึงจะไปประพฤติปฏิบัติสอนใจของตัวอย่างนั้นเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชเพราว่าถ้าประพฤติปฏิบัติร ะ, ตะมัดระวังจิตใจของตัวสิ่งที่ชั่วสิ่งที่สำละแก้ไข สิ่งไดที่ดีสนี้ประโยชน์ก็รีบกระทำบาเพ็ญให้มันมีมันเป็นมันเห็นมันรู้ในตัวของตัวจิตมันก็จะมีความสุขความสบายจิตไปสิ่งนั้นเราได้ชำระสะสางไปแล้วสิ่งนี้เราได้รู้ได้เห็นได้เกิดได้มีในตัวของเราแล้วสิ่งเรารักษา เลยสติเดือดปัญญากายวาจาเราไม่ได้ไปทำจิตกุดลจิตอะไรทุกโทษที่เกิดจากการพูดการทาของเราไม่มีจิตมันก็ยินดีมันก็เดือมใสมันก็สุขก็กสบายเพราะไม่เห็นทุกเห็นโทษที่เกิดจากการทำการพูดของตนนี่อเ น, น้สง เห็นขึ้นเราเคยคิดเคยปรุงเคยปรุงศาสตร์ต่างๆเรามาพยายามบังคับใจของตัวให้บริกรรมหรือให้กำหนดลมไม่ให้ใจิตใจไหลไปสู่สัญญาอารมณ์ที่มันเคยวุงเคยคิด ผูกมั่นไว้ในคาบริกรรมนั้นนั้นหรือลมหายใจนั้นหรือเพ่งสิงไดสิ่หนึ่งเอาไว้จนให้ใจสงบมันก็เห็นอา น, นิสงส์ว่าสมาธิคือความสงบของจิตเป็นอย่างนี้เราได้เห็นได้เป็นในตัวของเรานี่คือการปฏิบัติจะต้องเห็นในจิตในใจของตัวปัญญาจิตเคย โง่โง่เตาตุนแต่ก่อนมาที่เจนะเพื่อการล่าการถอนกิเลสตัณหาอะไรที่เคยสงสัยในจิตในใจที่หมั่นหมายว่าเยิ่งว่าใช่ว่าสวยว่างามต่างๆเราแยกแยะออกดูในทั่วถึงความสวยงามมันมีอยู่ที่ไหนความมัน่นคงกีรังดั่งยืนมันมีอยู่ที่ไหนอะไรเป็นจ น, เ ป, นเป็นคนเป็นสัตว์ หรือมีแต่เพียงสมมติเท่านั้นมันจะทราบใ น, ในใจิตในใจของตัวอย่างถวถึงนี่คือเรื่องการฝึกหัดปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์ใจไม่มีทุกข์ใจพ้นทุกข์สิ่งทั่วไปที่มันมีอยู่มันก็เป็นตามเรื่องของมันไม่ให้ทุกข์ อะไรแจี๊ยบจิตเจีใจของเราได้ดใจของเราไปยึดไปถือไปกาะไปเกี่ยวไปหลุมไปหลงทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยเป็นเวียนเป็นภัยไปหมดดังนั้นการสอนใจการฝึกใจการปฏิบัติใจจึงเป็นเรื่องทุกคนควกนรกระทำบำเพ็ญไม่ใช่ชานั้นเทียบก่อนชานี้เที่ยวก่อนหลีบทำหลีบกำหนด มันลงสู่ความส ง, งกอย่า้มันฝุ่งมันปรุงมันจิตมันนึกไปในทางผิดคือการปฏิบัติเพื่อกำจัดความรลุ่มหลงความงงเงาเตา ต, ตุนให้หมดออกไปจากจิตจากใจของต น, นเราปฏิบัติถูกทำทำําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เหมือนกันกันกบเราทานอาหารความอิ่มไม่ต้องปรารนะถนาแต่เราทานลงไปทานลงไปอยู่เรื่อยๆความอิ่มมันจะเกิดขึ้นมาเองนี่ความสุขความสบายความสงบความพ้นจากทุกข์ก็ทั้งนองเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามมักสี่พระพุทธเจ้จาสอนเอาไว้พิจารณาเผื่อละเผื่อแกไขความติตของคองใจหมดไปแล้ว วิเศษในมีใน ใ, นใจมันหมดไปแล้วมันสุกมันสว่างสวัยมันสงบมันวิเศษอย่างไรนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นเขาเพราะเราเห็นเราเป็นในตัวของเราการปฏิบัติผลตอบแทนมีอยู่อย่างนั้นแต่นั้นทุกคนควรสนใจควรกระทําให้เกิดให้เป็นให้เห็นให้รู้พุทธศาสนา <c oughs> คือศาสนาของผู้พุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานม่ใ่ผู้หลับม่ใ่ผู้หลงศาสนาคือทำสอนของท่านสอนอะไรอะ่ะสอนกายสอนใจสอนไม่ให้จิตไม่ให้พูดไม่ให้ทำไปในทางผิด สอนให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆเมื่อมันเห็นมันรู้ตามเป็นจริงไม่บอกให้มันปล่อยมันวางมันก็ปล่อยก็วางไปความหลงไหลยึดถือต่างๆมันจะตกออกนี่คือการปฏิบัติในทางศาสนาไมา่ใชปฏชิบัติเกี่ยกความรุ่มความหลงเ่ยวกความยึดความถือ ปฏิบัติเพื่อความละความถอนความรู้ความเห็นที่แจ้งชัดเท่านั้นแต่นั้นเราทุกคนเกิดมาพบพระพุทธศาสนาคือศาสนาของผูรเราต้องพิจรารณาสอนจิตสอนใจของตัวระวังรักษาอย่าให้ชั่วรั่วไหลเข้ามาทับผมส่วนที่นีอยู่เสียทมลายกาจัดปัดเป่าออกไปสิ่งได้ที่จะ นำความสุขความเยือกเย็นความสว่างสวัยความขนทุกข์นภัยเรารีบจะทำบำเพ็ญให้จิตเห็นจิตรู้เมื่อเราทุกคนทำอยู่อย่างนี้เราจะไปสบความสุขความสบายแตนั้นขอทุกท่านจงนำไปินิดที่เจนาศึกษาและต่างหนาต่างกาประพ ฤ, ฤติปฏิบัติ พอจากนั้นไปก็จะมีความสุขกายสุ ข, สขใจการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรทีเวลาเพราะยุติเพียงแค่นี้ทเทวัง